การท่องเที่ยวไปนั่นก็หมายความว่าท่องเที่ยวไปในกิเลสและในกองทุกข์ซึ่งมีชาติชารามรณะเป็นต้น เพราะฉะนั้นยังเป็นอันว่าดับกิเลสดับกองทุกขมีชาติชารามรณะได้คือดับปัจจยาการได้ทั้งหมด ความท่องเที่ยวไปนั่นเมื่อกล่าวตามหลักของปฏิจจสมุปบาทธรรมะที่อาศัยกันมันเกิดขึ้นก็คือท่องเที่ยวไปในปัจจาการอาการที่เป็นปัจจัย อาศัยซึ่งกันและการบังเกิดขึ้นนี้คือท่องเที่ยวไปในอวิชชาหรือในอาสวะในอวิชชาเป็นต้นจนถึงชาติชารามมรณะโสกปริเทวะเป็นต้นและก็ท่องเที่ยว ในปัจจยยการดังที่กล่าวมานี้ไม่หยุดคือท่องเที่ยววนเวียนกันไปในปัจจยยการนี้เป็นวงกลมจากอาวิชาถึงชรามารณะโสกปริเทวะเป็นต้นก็กลับมาวิชาอีก แล้วก็ไปชารามรณะโสกั บ, บริเทว่าเป็นต้นล้วกลับมาอวิชชาอีกท่องเที่ยวเป็นวงกลมอยู่ดังนี้ไม่ออกไปนอกจากวงของปัจจจาการมีอวิชาชาชรามรณะเป็นต้นฉะนั้นเพื่อความ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 เป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างเป็นกลางๆม่ใช่กุศลม่ใช่อกุศลบ้างแลกกรรมคือการงานที่กระทาทางกายวาทางกายทางวาจาทางใจนี้ก็เป็นเหตุให้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 เป็นวงกลมอยู่ดังนี้เพราะฉะนั้ น, เ, นเรียกว่าวัตตะที่แปลว่าวนคือวนเวียนสังสาระคือท่องเที่ยวไป ก็ท่องเที่ยวไปเป็นวงกลมคือเป็นวงเวียนอยู่ในกิรกรรมมิบาทั้งสามนี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกเป็นศัพท์ว่าสังสารวัตก็สื่อสังสารวัตะที่แปลว่า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 อาจอธิบายได้ในปัจจุบันเป็นปัจจุบั น, นธรรมและอาจอธิบายได้เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันในวงใหญ่ สำหรับที่เป็นปัจจุบันธรรมนี้เรียกว่าเป็นวงเล็กจิตใจของทุกคนนี้ในปัจจุบันบัดนี้ก็ท่องเที่ยวอยู่ในกิเลสกรรมมิบากทั้งสามนี้ยกตัวอย่าง กิเลสกรรมบมิบากที่บังเกิดขึ้นอาศัยตาและรูปประจวบกันก็เช่นว่าตัณหาในรูปคือความทยานอยากในรูป ที่จะเห็นได้ทางตาเมื่อรูปปัญหาบาังเกิดขึ้นก็ทำให้เกิดเจตนาคือความจงใจต้องการจะดูรูปจะเห็นรูปด้วยตาจึง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 เพราะกิเลสคือรูปปัตนหาความต้องการที่จะดูรูปเมื่อเป็นกรรมคือทำการดูรูปขึ้นก็ยอมได้วิบากคือการเห็นรูปได้มองเห็นรูปและเมื่อมองเห็นรูป ซึงเป็นวิบากคือผลของการดูรที่เห็นอันเป็นตัววิบากนั้นเมื่อเป็นที่ตั้งของตัญหาของรูปรตัญหาเช่นเป็นรูปที่สวยงามน่ารักน่าชมก็เป็นที่ตั้งของกามาตัญหา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 สแสวงหารูปที่ต้องการนั้นดูต่อไปอีกก็ได้รับวิบากคือผลคือการเห็นรูปนั้นเดี๋ยวเมื่อเห็นรูปนั้นเป็นวิบากคือผลรูปที่เป็นทิฏตังของการมาตันหาก็ก่อกามมาตันหาให้บังเกิดขึ้นอีกก็เป็นกิเลสก็เป็นอันว่าโกวนเวียนอยู่ในกิเลสกรรมวิบากวิบากกิเลสกรรม วือบากดังนี้แม่ในทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางมณะคือใจก็วนเวียนอยู่ในกิเลสรร ม, มือบากนี้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นทุกๆวันตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นจนถึงนอนหลับไปใหม่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 เมื่อกระจายเป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้ออกไปแต่ว่าก็วนเวียนอยู่ในกิเลสกรรมวิบากเพียงสามนี้เท่านั้นไม่พ้นไปจากกิเลสกรรมวิบากทั้งสามนี้นี่เป็นสังสารวัฏคือเป็นวงเวียน ที่เป็นปัจจุบันธรรมอันเป็นสังสารวัตที่เป็นวงแคบเป็นปัจจุบันธรรมคราวนี้หากจะพิจรารณาย้อนไปถึงอดีต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 คือมีทุกขสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ตีมพุทธเจ้าตรัสยกขึ้นแสดงเพียงข้อเดียวคือตัณหาก็จะต้องมีทุกข์ซึ่งเป็นผลและทุกข์ซึ่งเป็นผลนั้นก็เริ่มตั้งแต่ชาติคือความเกิดดังที่ตรัสแสดงไว้ในอริยสัจ ท, ทั้งสี่ เพราะฉะนั้นเพราะไม่กิเลสซึ่งถ้าจะไม่ยกเพียงตัณหาข้อเดียวจะยกอีกบางข้อก็ยกตัวอย่างอาวิชชาตัณหาอุปาทานยกสามข้อนนี้เมื่อยังมีกิเลสคือยังมีอวิชชาตัณหาอุปาทานอยู่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 และเมื่อสัตว์บุคคลนั่นยังมีอวิชชาตันหาอุปาทานอยู่คือยังมีกิเลสก็จะต้องยังมีกรรมและกรรมนั่น ก็จะต้องมีชนะกกรรมนำกรรมที่นําให้ไปเกิดขึ้นใหม่อีกเป็นชาติชาติใหม่และเมื่อเป็นชาติใหม่ขึ้นก็จะต้องมีชารามารณะและเมื่อยังมีกิเลสมีกรรมก็จะต้องมีชาติคือความเกิดขึ้นใหม่อีกก็เป็นอันว่า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 ชาติชรามรณะเป็นต้นและเมื่อมีชาติชารามรณะเมื่อยังมีมีกรรมอยู่ก็เกิดอีกเป็นชาติแล้เมื่อมีเมื่อมีชาติก็ต้องมีชารามรณะเมื่อมีกิเลสมีกรรมอยู่ก็ต้องเกิดอีกเพราะฉะนั้นแม้ว่าจะเวียน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 เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงระลึกถึงชาติในหนหลังได้เมื่อกอดใน ต, ตรัสรู้อันเรียกว่าอุเพนิวาสานุสติยานยานที่ระลึกชาติในหนหลังได้และได้ทรงพบว่า ที่เวียนเกิดเวียนตายอยู่ดังนี้ก็ครอบกรรมทำกรรมดีก็ไปเกิดดีทำกรรมชั่วก็ไปเกิดชั่วแต่ก็ยังต้องเวียนเกิดเวียนตายอยู่นั่นเองอันเรียกป่จจุตูประบาทญาณครั้นทรงพบกรรมก็ได้ทรงพบกิเลส คือได้ตรัสรู้พบว่าเพราะยังมีอาสวะคือกิเลสที่ดองจิตรสันดานอยู่พระปัญญาที่ตรัสรู้ดังนี้ก็ทําลายอาสวะคือกิเลสที่ดองจิตรสันดานในสิน้นเพราะฉะนั้นเมื่อสิ้นกิเลสก็สิ้นกรรม ที่จะประกอบกระทำต่อไปเมื่อสิ่นกรรมก็สิ่งวิบากคือผลคือเกิดแก่ตายที่จะมีขึ้นในชาติภพต่อไปและเมื่อยังทรงพระชนอยู่ประกาศาศาสนาก็ทรงอาศัยวิบากขันคือขันนี้เป็นวิบากคือเป็นผลที่ยังเหลืออยู่นี่ คือชีวิตนี้ทรงอุญทิตชีวิตของพระองค์ทั้งหมดที่ยังเหลืออยู่นี่ประกาศพระพุทธศาสนาโดยพระมหากรุณารั้นเมื่อขันเป็นที่อาศัยอยู่นี่ซึ่งเป็นวิบากขันแตกสลายในที่สุดก็ไม่ทรงไปถือชาติพบใหม่ เพราะว่าสิ้นกิเลสสิ้นกรรมก็สิ้นวิบากคือผลตั้งตนแต่ชาติความเกิดเพราะฉะนั้นจึงทรงดำรงภาวะเป็นพุทธคือเป็นภูตรัสรู้ซึ่งเป็นภูไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายพระพุทธเจ้าทรง ห, หักกรรมแห่งสังสารวัฏ ก, ก็คือทรงหัก กิเลสกรรวิบากทั้งสามนี้เรื่องราวโดยพิดารก็ทรงหาักการได้ทั้งหมดดับเอาวิชาดับอาสวะหรือดับอาสวะดับวิชาจนหลออจนถึงดับชรามารณโสกะปริตเทวะเป็นต้นได้สิ้นเชิงก็เป็นอันว่าหักกิเลสหักกังหะหักกรรมหักวิบากได้ทั้งหมดก็เป็นอันว่า ล้อที่ทำให้ต้องท่องเที่ยวเวียนเกิดเวียนตายถูกหักเสียแล้วยังไม่ทรงเวียนเกิดเวียนตาย ต, ายต่อไปเป็นผูที่ทรงไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสตรและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไปบัดบัดนี้จักแสดงธรรมเป็นเครื่องอบรม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 จะแสดงประพุทธคุณบทว่าอรหังในความหมายว่าภูสมควรซึ่งพระอาจารย์ได้ แสดงคำต่อไปว่าผู้สมควรแก่ปัจจัยทั้งหลายมีจีวรเป็นต้นและมีอีกคำหนึ่งเพื่อให้มีความกว้างขึ้น ว่าควรบูชาสักการะสำหรับคำต่อนี้ก็เป็นคำที่ตอกเข้ามาเพื่อขยายความออกไป ว่าสมควรแก่อะไรบ้างแต่คำสำคัญนั้นอยู่ที่ว่าภูควรหรือภูสมควรคำนี้ย่อมมีความหมายรวมอยู่มาก คำว่าภูนั้นเป็นคำที่ใช้อยู่ในที่สำคัญสาคัญเช่นว่าบุคคลที่จะได้รับ มอบหมายให้ทำการงานอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะต้องเป็นภูสมควรที่จะได้รับมอบหมายบุคคลที่จะได้รับแต่งตั้งให้ มีตำแหน่งหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งบุคคลภูที่จะได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งก็จะต้องเป็นภูที่สมควรแม้ว่าในทางตรงกันข้าม เนในการที่จะต้องได้รับโทษทันอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะต้องเป็นผู้ที่สมควรที่จะได้รับโทษทันอย่างนั้นอย่างนั้นฉะฉงนั้น คำว่าเป็นภูที่สมควรนี้ยังมีความหมายที่สำคัญนังกล่าวอันแสดงถึงคุณลักษณะของความที่จะต้องได้รับ อาวะอย่างใดอย่างหนึ่งฐานะอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นทางดีหรือทางไม่ดีก็จะต้องเป็นภูที่สมควรจะได้รับอย่างนั้นอย่างนั้นแต่ในความหมายที่เป็นพระพุทธคุณนี้มีความหมาย ในทางที่ดีที่สมบูรณ์คือเป็นภูที่สมควรเป็นภูที่สมควรตั้งต้นแต่ในทางปฏิบัติ